ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมพระโพธิญาณกำลังนำเสนอตอนรรพระโพธิสัตว์ปจดมารภายใต้ต้นอัศตพฤกษ์ซึ่งในการเรามาก็เรียกว่าสีมาโพหรือว่าโพธิพฤกษ์เป็นการพ น, นาความโดยวิจิตพิสดารของปราตถาาจารย์คือปราตถาตาจารย์ ได้แก่อาจารย์ที่อธิบายขยายความในพระบาลีใปิดกอนนีกต่อหนึ่งก็ความส่วนหนึ่งก็อยู่ในพระบาลปีดกนั่นแหละแต่ท่านอาธิบายขยายความในพิสดารมากปัญหาสำคัญว่าเหตุการณ์ตรงนี้ใครเป็นคนเล่าให้ทางฟังเพราะว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายก็หนีกันไปหมด ซึ่งแน่นอนในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยพระาอารหันท่านมีอตีตังสยานสยานในส่วนอดีตเมื่อต้องท่านต้องการจะกําหนดรู้ความรู้ก็ปุตขึ้นภายในใจท่านได้คล้ายๆกับเราทรงจําเรื่องราวต่างๆเนี่ยอดีตเอาไว้เมื่อเราต้องการจะพูดเรื่องเหลนั้นเราก็คิดขึ้นมาได้นะก็เป็นปกติสำหรับพระอรหันทั้งหลาย แต่ประเด็นที่อยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษก็คือว่ามาเนี่ยคืออะไรแล้วในอัตถกถาท่านบอกชัดเจนเลยนะฮะบอกว่าเทอบุตรมาได้บรรดาในหาฝนใหญ่ตั้งขึ้ น, นอะไรอะไรเนี่ยโอ้ว่าปิจิจพิจิตรดานมากันสองสามหน้ากระดาษนแล้วก็เป็นฉากการต่อสู้เหมือนกันหนังกำลังภายในไปเลยนะว่ากันยดย้อยมากซึ่งแน่นอนว่า นั่นคือเทวปุตตมาแต่ว่าประเด็นที่ควรจะทำความเข้าใจนะคือบางทีเราก็มั่นตัวเองเกินไปหน่อยใช้อนาวิสัยในการตัดสินวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแกพระพุทธเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่ดูตัวหลักในประไตริตรโดยเฉพาะลำดับขั้นตอน แล้วขั้นตอนการปรับสภาพประทัยของพระองค์จนมาถึงจุดหนึ่งนฮะที่ทรงแสดงไว้ว่าดุกอนราชกุมารเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้นี่จิตเป็นอยู่ตรงนั้นแล้วนะตอนที่ประเสด็จประทับอยู่ภายใต้ต้นประสีมาโพเนี่ยต้นนสัตว์กเนี่ย พระไทยได้บรรลุรูปฌานนะรูปฌานคือได้สมาบัตแแบสมาบัตสมาบัตแแบแล้วกิเลสประเภทที่มีชื่อต่างๆนี้่สงทีนี้เรามามองดูมานแดีวก่อนว่ามานแต่ละข้อเนี่ยมานข้ออื่นเป็นไปได้ไหมมารข้ออื่นเนี่ยมานประเภทแรกก็คือกิเลสกิเลสที่มันเกิดขึ้นกรุ่มๆใจมนุษย์เนี่ยเวลาแกเกิดขึ้นกรุ่มๆเนี่ยจะชื่ออย่างไงก็ช่างมันน่ะ แต่ว่าเวลาเกิดขึ้นกลุ่มรุมท่านจะเรียกว่า น, นิวรแตแเดนว่ากิเลสประเภทมนทินเนี่ยมันอยู่ข้างล่างกิเลสประเภทอุปกิเลสก็อยู่ข้างล่างกิเลสประเภทสังโยชนยย์ประเภทอนุสัยประเภทอาสวะเนี่ยนั้นอยู่ข้างล่างแต่พอขึ้นเนี่ยสถานะมันเปลี่ยนเป็นนิวรน น, นทันทีกิเลสประเภทเดียวกันนั่นแหละหมายความว่าตะกอนที่อยู่ก้นภาชนะก็คือตะกอนนั่นแหละ ตะกอนที่ขึ้นมาข้างบนก็คือตะกอนนั่นแหละแต่สถานภาพมันต่างกันตะกอนที่อยู่ข้างล่างมันนอนนิ่งๆตะกอนที่อยู่ข้างบนมันหมุนๆน่ะเพราะในกิเลสก็มีลักษณะอย่างนี้นกิเลสที่เกิดขึ้นกุ้มกลุ้ ม, ม, มใจท่านเรียกว่าปริยุท ธ, ธานกิเลสออกมาในรูปของกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาก็เรียกว่ากามฉันประเภทผลักออกไปก็เรียกว่าพยาบาท ประเภทที่ซึ่งซึมงอยเงาหดผูสูญเสียความเชื่อมั่นซึมเศร้าก็าเรียกวิธีนามิทะฟุงสั้นรำคาญหงุดหงิดจับหลักไม่ได้ก็เรียกอุจจาองขุจจารแล้วก็เคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจปักใจไม่ได้ก็เป็นวิจิกิจจาซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการการโราธธ็โลภะโทสะโมหะ ในเชิงรูปธรรมเนี่ย อ, อุปมาให้เห็นว่ากิเลสประเภทโลภะคือกิเลสประเภทคว้ากมาเราเนี่ยมันเหมือนกับเราตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นจะต้องชดชช้ตลอดชีวิตตอบสนองความต้องการของเจ้าหนี้ตลอดชีวิตจิตมันอยากได้อย่างนั้นอยากเห็นอย่างนั้นอยากกินอย่างนั้นอยากไปที่นั้นแล้วก็ต้องตามใจมันตลอดเลยเจ้าหนี้เขาทวงนะฮะเขสั่งกิเลสประเภทโทสะมันเหมือนกับ โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแล้วก็เบียดเบียนร่างกายเราเจ็บปวดเท่าไหรไม่มีใครสามารถแบ่งเบาให้เราได้เราก็เจ็บปวดกับเราคนเดียวกิเลสที่เกิดขึ้นกิเลสสายนี้ที่เกิดขึ้นภายในใจเราก็มีลักษณะอย่างนั้นกิเลสประเภทถีนะมิทะง่วงเหงาหางนอนซึ่งซึ้งง้งอยเหงาหดหูเนี่ยนั่นจะมีลักษณะเมื่อเราตกเป็นทาสคนอื่นคือจะสูญเสียสิรภาพและจะถูกบังคับใช้ ก็แล้วแต่นานก็นายก็จะสั่งให้ลองสังเกตเรานั่งสปงบดินั่นงสงกฟังก็ดีสงกอ่านก็ดีสับปงกทํางานอะไรก็ตามไม่ได้เรื่องแล้วกิเลสประเภทรุตธธ จ, จักกุกุจักนั้นเมืองก็คนติดคุกตัวเองก็อยู่ในคุกประสบความทุกข์ทรมานอยู่ในคุกแล้วกิเลสประเภทหลงคือโมหะประเภทไม่แน่ใจเหมือนคนหลงป่านะหลงทิศหลงป่าหลงทางคือไปไหนก็ไม่ถูก คนนี้มันจะเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจแล้วก็แสดงอาการออกมาสารพัดที่เราจะเห็นแน่นอนเราเรียกชื่ออย่างที่เรียกชื่อในมูลถิ่นก็ได้อย่างเรียกชื่อในอไอโนอนก็ได้แต่ว่าตัวสถานะเขาจริงเนี่ยเวลาเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจเนี่ยท่านเรียกว่าปริยุทธสานะก็แสดงอาการออกมาท่าสายแต่นั้นเองก็คือโลภะโทสะโมหันนั่นแหละทีนี้ประการต่อไปก็คือ ขันประมาณมันคือเบญจะขันอย่าลืมนะฮะว่าเราดูแล้วน่าจะเป็นเบญจะขันจิตนั่งคู่บัลลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าแต่อย่าลืมว่าพระไท่มันได้ฌานแล้วตัวนีนเเนะะ้เรื่องเล็กนะฮะเรื่องเล็กมันสงบด้วยพลังของสุขนะฮะของสุขได้พลังก็สมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจิตไม่ไปเกาะอยู่ที่กาย แล้วกายเองเนี่ยมันพอถึงองค์ฌานประเภทสุขประเภทปีติประเภทสุขเนี่ยกายมันก็ไม่ไม่โยกคลอนไม่หวั่นไหวไม่ไม่ป ว, ไวไไไดไม่เมื่อยอะไรอภิสังขารมานคือบุญบาปใจที่มันสงบไม่เนียวนะฮะไม่เหนียวเรื่องบาปแล้วก็ไม่เหนียวเรื่องบุญแต่มันอยู่ระดับอนเนินทานะไปโน่นเลยรูปฌานเลยรูปฌานนะรูปฌานไหยจะอยู่ตรงนัน่น เราะะ น, นเราจะเห็นว่าอภิสังขารมานมันก็ไม่เป็นมานะฮะเป็นตัวเกื้อกูลในยซ้าไปเพราะว่าจะต้องอาศัยเขาเนี่ยเป็นพลังผลัดดันต่อสู้กับกิเลส ท, ที่มันละเมียดละใหม่กว่านั้นลึกซึ้งมากกว่านั้นประการต่อไปคือมัจจุมานมันคือความตายยังไม่ถึงนะฮะเพราะว่าเพิ่งเริ่มนั่งแตนั้นเองมาเริ่มนั่งแต่ น, นเอ ง, ม, เ ม, ง, เองมานก็เริ่มไปจนดันที เพาในสิ่งที่ชัดเจนก็คือเทวบุตรมานเทวบุตรมานก็คือวัศวติมานที่ปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆมากม า, กายกายกองนะฮะก็บอกว่าพลอะไรตัวไรญ่ยอยะทนับก็จะยกตัวอย่างสักตอนหนึ่งที่ท่านเรียบเรียงไว้เนี่ยเราเห็นอาจจะเวอร์มากไปหน่อยนะแต่ว่า ก็เป็นการต่อสู้กับเทวปุตตรมานเพราะถ้าเราไปให้พระพุทธเจ้าไปสู้กับกิเลสอื่นในดูมินนะฮะแทนที่จะแสดงความเคารพเป็นการดูหมินชานดูมินสภาวะธรรมคือแสดงว่าเราไม่เข้าใจสภาวะธรรมเราบอกวันนั่งอยู่บนน้ําแข็งมันร้อนเหลือเกินอย่างเงี้ยไม่เข้าใจสภาวะธรรมร้อนอะไรกายร้อนเ่ะร้อนได้ยังไงอยู่บนน้ําแข็งเออถ้าใจร้อนเนี่ยไม่แน่ แต่ร้อนไม่แน่มันก็ต้องชัดเจนกว่าสมควรเพรา ะ, ะนั้นถ้าน้ําแข็งต้องเย็นสภาวะธรรมน้างหลับมันก็มีลักษณะอย่างนั้นสภาวะธรรมมันเป็นฌานนะฮะฌานมันประสยบนิวรณ์ที่ชัดเจนมากอย่างที่พูดไว้ในวันก่อนโน้นว่าปฐมฌานนะฮะเอาขนาดปฐมฌานเนี่ยวิตกพอเกิดขึ้นก็ส ง, งบถีนามิธาได้วิจารณ์พอเกิดขึ้นก็ส ง, งบวิจิกิจชาได้ ปีติพอเกิดขึ้นก็สงบพยาบาทได้อุตจกักขุกุจจะพอเกิดขึ้นนะก็สงบไม่ใช่พยาอุตจักขุกุจจะคือสุขพอเกิดขึ้นนะฮ ะ, ส ง, ส, นน ะ, ฮะสงบอุตจกักขุกุจจาได้แล้วก็เอกาตาหรือตัวสมาธิหรือตัวสงบเนะี่ยตัวนิ่งอนะ่ะมันก็สงบกรรมฉันคือจิตจะไม่เหนียวจะไม่สายไปได้วยแรงของกรมราคะทั้งหลาย นี้ไม่ชัดเจนว่าพระไทยเนี่ยตอนนั้นไม่มีกิเลสแล้วเราพูดว่าพระพุทธเจ้าต่อสู้กิเลสนู่นบางคนอธิบายเหลืองเยื่องเหลืองแมวหายไปจนถึงว่าคิดถึงลูกเมียไปหายไปเลยคิดถึงได้ยังไงเอ่คนที่เขาได้ฌานเนี่ยเขาไม่ไปหรอกใจมันไม่ไปถ้าฌานยังอยู่นะมี่อแม่ว่า ตอนนี้มันก้าวหน้าไปเรื่อยๆและอย่าลืมว่าพระองค์ชํานาญเรื่องชาติในชํานาญมาก่อนชํานาญตั้งแต่น้นสํานักอลาดาบทความโครุตกาดาบทคามบุตรเพียงเพียงว่ามันเสื่อมไปเสื่อมไปเอากลับเข้ามาใหม่เนี่ไม่ได้ยากอะไรมันก็เหมือนกับภาษาสมมติว่าเราเราเป็นเด็กไทยเนี่ยฮะเราเป็นเด็กไทยก็โตตั้งเจ็ดแปดขวบแล้วเราไปอยู่สหรัฐอเมริกาจะอีกสักสิบปีนะ อยู่เมืองไทยแค่แบบขวบอยู่สหรัฐมีกาสิบปีไม่มีโอกาสพูดไทยเลยกลับมาอยู่เมืองไทยไม่กี่วันนะพูดไทยภาษมาไม่ได้หายไปไหนคือยังมีเชื้ออยู่เยอะไม่ถึงกบหมดไปแน่นอนเราก็ต้องเรียนใหม่บ้างเรียนใหม่ไปเรื่อยๆก็คนก็เรียนใหม่กันกันทั้งนั้นแหละทีนี้ในฉากที่ท่านที่ท่านแสดงถึงการร่องรอยของการต่อสู้นะฮะ เอาที่ไม่ไม่ผ่าดฝนเท่าไหร่นะท่านบอกว่าลำดับนั้นเทวบุตรมานได้บรรดานใน ห, หาว ฝ, ฝนใหญ่ตั้งขึ้นโดยหวังว่าจะให้น้ำท่วมตายเมฆฝนอันมีหลืบได้ร้อยหลืบพันหลืบตั้งขึ้นเบื้องบนซ้อนๆกันแล้วตกลงมาด้วยกาลังแห่งสายฐานน้ำฝนแผ่นดินได้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่มหาเมฆกิรลอย มาทางส่วนเบื้องบนของป่าและต้นไม้เป็นต้นก็ไม่อาจให้น้ำแม้สักเท่าหยาดน้ำค้างเบียกยีวรของประมาศสศได้คื่แบบก็ทำก็ทำกันไปแต่เรานึกถึงลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นะคืออย่าลืมว่าที่ใต้ต้นโพต้นนั้นแหละรพราาสะพุทธเจ้าสัสรวยแต่ไม่ใช่ต้นนั้นคือตรงนั้นแหละ ต้นโพต้นนี้มันเป็นอันดับที่สี่ที่ห้ามาแล้วก็อยู่ใกล้แม่น้ำนิรันดร์ชราลักษะบริเวณตัวนั้นก็กว้างนะฮะสมัยก่อนก็กว้างบริเวณก็กว้างขว้างอย่างที่เราเห็นอาคารมันก็คงจะไว้มากอย่างนั้นเพราะในเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้แต่ที่น่าสังเกตก็คือเขาเรียกว่ายานปกแผ่บารมีก็ปกแผ่นะยายดน้ําสักหยิหนึ่งก็ไม่สามารถทําอันตรายได้ ตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของของบารมีธรรมโดยจะาปวบนะเราจะเห็นว่าบางทีที่พระพุทธเจ้ายังเสด็จไปโปรดโบราณในแผ่นดินตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะน้ําท่วมหลากเป็นสูงแล้วพระเจ้าเสด็จจงกลมบนพื้นดินนะน้ําล้อมรอบเหมือนกาอะไรละ่ะเหมือนกระก่องกล่องเป็นน้ำเลยเหมือนกระก่องลงไปดูพระพุทธเจ้าก็ เดินจงกรมอยู่ในสถานที่นั้นเอไอการเหล่านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่อาตมาไม่เคยเห็นนะจันหลวงปู่แหวนไม่รู้จักไม่เคยเห็นได้ยินได้ชื่อแล้วก็ไปบรรยายที่เมาว์ทะเลเชียงใหม่มีครูบาอาจารย์เยอะแล้วก็ถามมาถามจริงๆเนี่ยใครที่เห็นความอัศจรรย์ของหลวงปู่แวนบ้างที่เขากลือกันลือกันเหลือเกิ น, ก น, ก น, กนมีจริงอนะ่ะ มีอาจารย์คนหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ตนแหน่งเล็กนะครับเป็นรองศาสตราจารย์ท่านบอกว่ามันมีที่เ้าเคยไปนั่งหอฮีเลก็กเตอร์นะไปแม่ห้องสอนแล้วอากาศมันเกิดปิดเนี่ยอากาศปิดก็ต้องบินกลับบินกลับน้งมันมันจะหมดก็เลยก็ขอให้หลวงปู่ช่วยหลวก็บอกว่า พออธิษฐานแต่นั่นเองเห็นหลวงปู่นี่ลอยอยู่ข้างหน้าต่างลอยผ่านหน้าต่างแล้วก็อยู่ข้างหน้าหอแล้วมองลงไปก็เห็นเป็นรูเป็นรูอากาศลงเป็นไอสนามบัสของโรงเรียนแห่งหนึ่งเกบอกว่าลงเป็นรูกลมลงไปไงสว่างไม่มีอะไรเลยแต่ว่ารอบนั้นมืดหมดอันนั้นเขาเห็นของเขาอ่ะเราก็ไม่รู้ เราก็ฟังอย่างงั้นมาก็ไม่มีความเห็นอะไรแต่คฟางไปอย่างนั้นเองเพราะในเหตุการณ์เหล่าเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่ผู้รู้เห็นแต่แต่นั้นเห็นยังไงก็ไม่รู้นะท่านเห็นยังไงอยจะจะลือมาถ้าท่านเป็นการบอกเล่าของพระอรหันต์ของท่านที่ได้ปัญญาก็ไม่จะเริ่มแปลงอะไรแม้ท่านจะเกิดในยุคหลังก็ใช่ตีตังสยานนะยานกําหนดรูมก็รู้ทั้นนั้นเองแล้วก็บอกว่า แต่นั้นได้บรรดาน่หาฝนเครื่องประหารได้ตั้งขึ้นสัตวุธมีดาพอกและลูกสอนเป็นต้นมีคมข้างเดียวบ้างมีคมสองข้างบ้างคู่กุ่นเป็นควันลุกเป็นเปลวไฟลอยมาทางอากาศพอถึงประวารที่สั์ก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์ถ้าท่านได้ดูภาพยนตร์ที่หลั่งก็สร้างเดินเรื่องเดลิเตบุรดนะ้นะฮะจะนวา่าหลังเชื่อตรงนี้มากฝลังเชื่อตรงนี้มากอินเดียเองก็เชื่อตรงนี้มาก ที่ตอนแสดงภาพของพระพุทธเจ้าต่อสู้กับมาเนี่ยจะมีเหตุการณ์ลักษณะเนี้เยอะเลยตามตามทีม่พขาพัฒ น, นาไว้นะแล้วก็บอกว่าจากนั้นมานจึงได้บันดาลหาฝนเท่ารึงให้ตั้งขึ้นเท่ารึงร้อนจัดคือเท่ารึงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเปลวไฟอย่างแกล้ๆกับฐ่าน่ะคกล้ๆกับฐานที่มันลุกเป็นเปลวไฟก็ได้ยินบ่อย ถท่ารึงฐานเพลิงทั้งหลายท่าารึงร้อนจัดมีสีดงไฟลอยมาทางอากาศก็กลายเป็นฝูนไม้จันต์ตลงแทบประบาดของพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นได้บรรดาหาวฝนสายให้ตั้งขึ้นทายทั้งหลายละเอียดยิบคู่เป็นไฟลุกโพรง ลอยมาทางอากาศกลายเป็นดอกไม้ทิพตลงแทบประบาดของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์นะฮะยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่นั้นจึงบรรดาลห่าวฝนปลุกเปลือกตมให้ตั้งขึ้นปลือโตมนั้นคู่เป็นควันลุกเป็นไฟลอยมาทางอากาศกลายเป็นเครื่องรูปลายทิพตกลงแทบบาทมูลของพระโพธิสัตว์ต่อแต่นั้นเทวุตมานได้บรรดาลความมืดให้ตั้งขึ้นโดยคิดว่าเราจักทำให้พระสิท ธ, ธัตถะ ตกใจกลัวและหนีไปความมืดนั้นเป็นความมืดตือเหมือนกับมือดอันประกอบด้วยองค์สี่คือแรมสิบสี่ขาปาชัดเมฆทึบแล้วก็เชี่ยงคืนแต่ความมืดนั้นพอถึงประโพ ธ, ธิสัตร์ก็นารำคานไปเหมือนความมืดที่ถูกกระจัดด้วยแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์ฉะนั้นเมื่อ เวลาการยุติของพญามานและพระหมหาบรุษกำลังดำเนินไปอยู่นั่นอุกาบาตันร้ายกาดก็ตกลงโดยรอบทิพทั้งหลายก็มืดคุ้งด้วยควันแผ่นดินที่ทรงสะต่างๆพร้อมทั้งสาครก็วันไว้เหมือนเทาวันต้องลมพัดแรงมาสมุทรก็ปั่นปวดแม่น้ำทั้งหลายก็ไหลทวนกระแสลำต้นไม้ต่างๆก็โคดงอแตก ติดดินแห่งภูผาทั้งหลายลมร้ายก็พัดรอบๆมีเสียงอึกทึกรุกโครมนี่ก็เป็นการพัฒนาเป็นการบรรยายทั้งเหตุการณ์ในช่วงที่ประโพธิ์ระโพธิสัตร์ประจนกับพยามาณเราจะเห็นว่าไม่ใช่ต่อสู้กิเลสที่ไหนนะฮะต่อสู้กับตัวตนของบุคคลเลยแล้วโดยเหตุผลทางธรรมะอันนี้คือเหตุผลทางปรัชญา ต่างความเชื่อถือค่อนข้างจะมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรๆมากมายกันกอนแต่ด้วยเหตุผลก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่มารอีกสี่อย่างจะมาเป็นอุปสรรคต่อพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นก็อย่างที่บอกไว้ว่าเราจะต้องมองว่าบุคคลการกระทำสถานที่นะแล้วก็สิ่งที่เขากระทำ จะเห็นว่าบุคคลในขณะนั้นได้สมาบัตแปดแล้วก็สถานที่ก็คือภายใต้ต้นต้นอัศจรรย์ที่รับสั่งว่าเราจะสัตรุในคืนนี้แล้วก็เวลาก็เวลาก่อนการสัตรุเวลานั้นพระองค์ได้สมาบัตแปดแล้วอย่างที่ว่าแล้วพระองค์กำลังบำเพ็ญเพียรแบบจตรุรงค์กามาประธาน คือต้องเอากาละเอาเทสะเอาบุคคลเอากรรมเนะี่ยฮะเอาเอ า, เอ า, เ, อาเอาสิ่งที่เขาทาเข้ามาผ น, นวกกันมันไม่ใช่คิดแยกส่วนออกไปถ้าคิดแยกส่วนออกไปเราก็มองไม่ออกบางทีเอเออนเนี้ยคือคือความเชื่อตรงนี้คนที่ใช้แนวอัตวิสัยมักจะไปคิดปฏิเสธตั้งแต่ความมีอยู่ของพระยายมา แต่ถ้าเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ท่านไปเจริญกรรมฐานในป่าเนี่ยพยายามมานพวกรากสดพวกนักสิทธพวกไอ้ผีป่าผีดอยอะไรต่ออะมันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นชีวิตมิติหนึ่งเท่านั้นดอแล้วก็พราะนั้นมาเป็นมิตรบ้างเป็นสัตว์ บ, บ้างก็แล้วแต่ฮะแม้แต่เราเองนะพวกเราเราเองอาจจะจะพบว่าแต่ล้คนบางคนก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้แต่มันไม่จะอยู่ในเมืองนะ มาอยู่ในเมืองประสบการณ์ในเมืองก็ก็ผู้มีอานาจอิทธิพลที่จริงก็แบบเทพปุตตมานั่นแหละเพียงแต่ว่าเทพปุตตมานั้นเป็นพูดถึงเทวดาจริงๆแต่ว่าในสังคมมนุษย์เราก็มีคนใหญ่คนโตที่มีอํานาจอิทธิพลต่างๆแล้วก็มีลักษณะนิสัยน้ําใจเป็นคนพาลก็มีให้เราพบเราเห็นอยู่ตลอดตลอดนะไม่ว่าในยุคสมัยใดก็ตาม ทั้นก็บอกว่าความมืดที่ปราศจากดวงอาทิตย์ก็เลวร้ายตัวกระพันก็ท่องไปกลางหาวลางร้ายอันพิลึกทั้งที่อยู่ในอากาศและบนภาคพื้นอันเป็นเป็นอันมากก็โดยรอบขณะที่มานมาครั้นพยามารคิดว่าจากอย่างศิทธตะให้กลัวแล้วหนีไปแต่ก็ม่อาให้ประโพธิสัตว์ นี้ไปได้ด้วยฤทธิ์ของมารเก้าประการคือลมฝนก้อนหินเครื่องประหารฐานไฟไฟนรกทรายโครนและความมืดพญามารมีใจขึ้นโกรธมากบังคับหมู่มารว่าพวกเจ้าจะหยุดอยู่ใหญ่จงทรรมสิทธะให้ไม่เป็นสิทธะจงจับจงฆ่าจงตัดจงมัดจงอย่าปล่อยจงให้สิทธะนี้ไป ส่วนตัวเองนั่งอยู่บนคอช้างคิริเมกถือจั ก, กราววุฒิเข้าไปใกล้พระโพธิสัตว์และกล่าวว่าสิท ธ, ธะท่านจงลุกขึ้นจากบันลังนี้บัลังนี้ไม่ถึงแก่ท่านบันลังนี้ถึงแก่เรานี่ก็พระอาจารย์ก็นำมาเล่านำมาเล่าให้ฟังคือต้องการยืนยันอย่างเดียวนะฮะว่าเป็นเทวบุตรมา แล้วก็โดยสภาวธรรมจริงๆก็คือเทวปุตรมารไม่ได้มีกิเลสไม่ได้มีบาปบุญไม่ได้มีความตายหรือไม่ได้มีตัวร่างกายอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการสัสรูของพระโพ ธ, ธิสัตว์ในขณะนั้นเราจะเห็นว่าภาพเหล่านี้พอมาถึงทวงบัลลังก์เมื่อทวงบัลลังก์เข้ามามันก็ต้องมีพยานหลักฐานมีพยานหลักฐาน พระโพธิสัต์ก็ยืนยันนะครับว่าบาลังนี้มันเกิดโดยบารมีบารมีของพระองค์ที่ให้ทานรักษาศีลแล้วก็กูฏน้บุติกุศลต่างๆไว้มากมายกายกองก็เพื่อพิสูจน์ยืนยันก็อธิษฐานนะที่เราพบในเหตุการณ์ต่างๆพระพุทธรูปปางมารวิชัย อนะก่อนที่จะก่อนจัสรู้นะครับคือคือว่าตอนจัสรู้นะครจะมีรูปนางธรณีบีบบีบมวยโผไม่เห็นนั้นก็คือร่องรอยการต่อสู้ว่ามีเทพมีเทวดามีอะไรแต่ไรแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะฮะว่านางธรณีไม่กลัวพญามารเทวดาเราอื่นก็หนีไปหมดแล้วแปลว่าพระธรณีท่านก็ไม่กลัวพญ า, ามารก็มาเป็นสกิพยานมายืนยนันมาพิสูจน์มาทดสอบมาบีบน้ํา จากมวยผมจนทุ่มพวกมารเนี่ยที่เราเห็นภาพกันเนี่ยภาพพันธะที่ต่างๆเราเห็นว่าจิตกรรมเองจิตกรรมก็ดีปฏิมากรรมก็ดีวรรณกรรมก็ดีนะที่พูดเรื่องตรงนี้จะพูดเฉพาะเรื่องเทพบุตรมาร น, นอกจากว่านักวิชาการที่ค่อนข้างเป็นนักวิชาเกินนั้นเองนะที่พูดเป็นกิเลสมาโดยไม่ได้มองถึงสภาวะพระไทยของประโอรสสัตว์ในขณะนั้น ว่าโดยสถานะพระไทยในขณะนั้นในสถานที่นั้นไม่มีกิเลสไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่หมดกิเลสนะฮะแต่ว่ากิเลสมันสงบอยู่ภายในสงบอยู่ลึกด้วยนะเพราะว่าเป็นสงบด้วยพลังของวิขำพระประหารคือแบบอะไรละ่ะเอาเสือลำแพนมาปูวไว้สนามหน้าบ้านนะย่าไม่ปรากฏเห็นเลย จิตใจของโิสิษว์ในขณะนั้นก็ไม่ปรากฏกิเลสให้เห็นเลยเช่นเดียวกันต้องฟังทั้งหลายแต่รมประโภติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง อ, อกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี